วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งคําเดือนสิบเอ็ดเป็นวันเสาร์ที่สิบแปดเดือนสุลาคมสอง9ันห้ารอยี่ิบพวกเราเคยเข้าวัดเคยฟังเทศเคยไปรักษาศีลเคยทำบุญเคยไหว้พระภาวนาแต่ว่าอันนั้นดีแล้วมีเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็คือ เรื่องของพระพุทธเจ้าเคยตัดเอาไว้มีบุรุษแต่ว่าหลายคนน้อยคนก็ไม่ต้องพูดคนหนึ่งสแสวงหาสตรีสติเพศนี่ยไปเจอกับพระพุทธเจ้าเขาพระพุทธเจ้าบอกเธอจะหาสตรีเพศหรือจะหาตัวของท่านเนี่ยผู้ชายบุรุษเจอพู้ถ้าเธอหาสตรีเพศหรือหาผู้หญิงเนี่ยกับเธอหาตัวของเธอพบอะไรจะดี บุรคนนั้นเกิดเข้าใจทันทีก็เลยหยุดการแต่ตื่นเพศไปเลยยานั้นการพูดการคุยก็เช่นเดียวกันทุกอย่างคือมันน้อตมตัวเราหนีจากตัวเราทั้งนั้นคือว่าคนลืมตัวนี่คนหลงตนลืมตัวแล้วมีค่าน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีแต่ความเดือดร้อนการพูดการคุยกันก็เช่นเดียวกันเราไปวัด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 กิริยามารยาทไม่เหมือนกันคนว่าการฟังวันนี้กิริยามารยาทนั้นก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปได้รูปร่างอันเดียวกันทีแรกมันต้องไม่รู้มันต้องทําไปตามนิสัยสันดานเคยทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นเป็นไงเ้ี่ยวันนี้ทางวินัยท่านก็ตัดเอาไว้ว่าดอกไม้ที่ต่างสีถ้าหากเส้นได้ดีเส้นได้คือปรมารัยสติปรมารัยเส้นได้ที่ทง เส้นได้ดีจ้างนายซ่างเขามาสลับสีก็โหน่าดูถ้าหากนายซ่างไม่ดีนะสลับสีก็ไม่เป็นเส้นได้ก็ไม่ดีดึงก็ขาดพวัวออกไปเลยเลยไม่มีที่จะดูได้ที่หลวงพ่อนามาพูดให้ฟังวันนี้พอสว่าญาติโยมมาทําบุญก็มากพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เป็นการปาวรณ า, ากันไปเสร็จสิ้นไปแล้วจะได้ออกไปทําธุระหน้าที่ของตัวเรา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 เพราะไม่รู้จักหน้าที่ของคนยังไม่รู้ทั้งหมดเลยถ้ารู้จักหน้าที่ของคนควรมเป็นคนมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักอันนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างไงแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักว่าคนคืออะไรรู้จักจะไปเห็นแขงขาหน้าตามือเท้าเกิดมาแล้วก็เป็นคนเข้าใจว่าอันนั้นเป็นคนเป็นคนจริงอันนี้แต่ว่าจิตใจอาจจะเป็นสัตว์เดร่างสารก็ได้คําว่าสัตว์ในร่างสารน่ยไม่ใช่แขงขาหน้าตามือเท้าเป็นนะ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 ไม่พอเป็นพูดไม่พอไม่จบในสิ้นหากินก็ไม่พอไม่จบในสิ้นได้อะไรไม่พอเป็นเรียกว่าไม่พอนาะปากพ่อรูเข็มพ่องพ่อขูเขวันพ่อแม่ขูบาอาจารย์เราให้สั่งเตยเป็นปากมันเล็กพ่อมันโตกินทะลังพล อ, อันนี้ก็เข้าหลักเดียวกันเลยพูดจนตายเลยเกิดมาดูดทองแม่มาพูดเดี๋ยวเจ้านั้นนะ่ะ ไม่รู้จบให้รู้สิ้นเลยโอ้หลักศรน่าเปรตเป็นปนอย่างนี้ก็พ่อเรารู้หลักศรน่ามเป็นคนแล้วอาสุรกายแบบเนี่ยฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องดีชั่วไม่รู้เรื่องเลยไกลจากข่มจริงพูดข่มจริงให้ฟังปฏิเสธไปเลยเรียกว่าอสุรอาสุรกายเรียกไก่นะที่หลงพ่อเข้าใจไม่ได้แปลกับตัวหนังสือเนี่ยอาสุรกายเป็นไกลจากคนจริงไกลจากข่มสอนของพระพุทธเจ้า ไกลจากความที่จะให้เป็นคนมันบิ่งลงไปทางที่ผิดเหรอมันเป็นสัตว์นรกแบนก็หมายถึงมันร้อนลนละอุอยู่มีคนใดพูดให้เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจความหมายอันนั้นใจมันเป็นไม่ใช่แค้งขาหน้าตามือเท้าเป็นนะอันนี้ที่พูดให้ฟังนะญาติโยมมาทําบุญก็ฟังเอาไว้จะย่าเสื้ออาตมาเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้า ก, ก็ฟังเอาไว้อย่าเสื้ออาตมาเอาไปพิจารณาเองตอนเซาอาตมาเข้าใจ เรื่องมีประมาณตีห้านี่แหละดูลายมือยังไม่ชัดดิเขาใจอย่างโอ้เปลตดสัตว์นรกสัตว์ในร่น า, ดดาสารอสุลกายมันไม่ใช่มีตนมีโตถีก็ไม่มีตนมีโตเทวดาก็ไม่มีตนไม่มีโตมันเป็นเพียงสมมุติคือสมมุติให้ใจคุณเปลียนเท่านั้นเอมันนี้คนเหมือนนี่ใจก็คือคนนี่แหละตัวคนน่ะคือหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีในนี้มีเทวดา มีคนมีมนุษย์มีพระอินทร์มีพระคมที่สุดพระเดียรเจ้าก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่บอกคนเนื้อเปรนเป็นคนก็เลือกเอาได้บนนี้คนแล้วควรคนแปลว่าควรอย่างที่ญาติโยมคงจะเห็นข้านมเส้นบ้านหลวงพ่อเนี่ยเขาปุ้นทางนี้ดี่เอาเขา้านมเส้นขาน้าวหนมจีนเนี่ยที่แรกมันเป็นเม็ดมามาปนเขา้าให้ยังไงหลวงพ่อไม่รู้ดิแล้วเขามานวดมาขันเป็นเละไปเลยไม่มีเส้นไม่อย่างอะไรเนี่ยวันนี้เขาเป็นปากเอา ข้าวอันนั้นเร็วเวไปบีบลงน้ําพอดีมันตกลงน้ามันเป็นเส้นก็เลยเลือกได้แลยอันนั้นเหมือนกับคนคนเหมือน ก, นกับที่เราคนเข้ากันนั่นแหละแต่พอดีไปลงไปน้ำร้อนมันเป็นเส้นก็นเป็นคนเลือกได้เลยนะเป็นมนุษย์มนุษย์จึงว่าแปลผู้จิตใจถงหักห้ามจิตใจได้เลือกคัดจัดหาเอาได้เมื่อความเป็นคนมีแล้วความเป็นเปรตความเป็นซาเบลสา ความเป็นอสุรกายความเป็นสัตวนรกก็ลดน้อยไปความเป็นคนกับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเมื่อความเป็นคนสมบูรณ์แล้วนะความเป็นคนสมบูรณ์คนนั้นยังเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่าเป็นคนเกิดขึ้นมานี่เป็นมนุษย์ได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตัวจะมาเข้าใจอย่างนี้คนอื่นจะเข้าใจอย่างไงไม่ทราบตอนนัเมื่อความเป็นคนสมบูรณ์โอ้ความมันเป็นมนุษย์ของเัา ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเหมือนกับต้นไม้นี่เองมันค่อยงอกค่อยงางค่อยโอ้โอเมื่อความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วความเป็นคนคนมสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ก็เป็นสมบูรณ์ความเป็นเทวดาก็ค่อยมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นยัมีกับเป็นอันเดียวกันเขา้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจคือมีกับเป็นเนี่ยมี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 ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเลยพ่อหลวงพอ่อแม่หลวงพอ่อเมื่อปู่ย่าตายายเคยสอนจะสอนลูกก็สอนไม่ได้ไม่สอนเห็นเขาทําผิดก่อนยังไม่สอนสอนไม่ได้พ่อแม่บอกนะั้นกินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วจะสอนเขาบน่นเรียกมาถ้าสอนเวลากินข้าวเนี่ยเขามีพวมไม่พอจะเขาจะวาง ข, งข้าวหนี้เขาจะไม่กินเลยท่านบอกอย่างนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านสอนเพราะ มันมันไม่พอใจเหมือนนี่มันไม่ฟังเลยมันก็หนีเลยเลยไม่ได้สอนเหมือนเลยเข้ากวลังก็ไม่ได้กินคุณรูปมันก็นไม่ได้บัดนี้กินข้าวดีเรียบร้อยเราเรียกมาทั้งหมดเลยมาเรามีเรื่องนั้นนั้นอย่างนี้จะพูดให้ฟังแล้วก็พูดให้ฟังอ้อมไปอ้อมมาเขาใจดีเขารับฟังได้นี่ว่าการสอนคนเขาเช่นเดียวกันจังหวะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรทั้งหมดกินข้าวลงไปเราจับอาหาร มือเรานี่วิ่งไปจับอาหารแล้วก็ให้รู้เอาเข้ามาในปากเราเคี้ยวเข้าเข้าไปจะให้รู้เราเกืนเข้าวลงไปในท้องก็ให้รู้เมื่อเราไปคุยอยู่แล้วไม่มีโอกาสเลยหลวงพ่อไม่มีเวลาที่จะรู้ได้อายุสี่สิบหกปียังรู้เรื่องนี้ขึ้นมาโอ้โหมันตายแล้วนี่ คนอายุ40 6ปีใข้าตายแล้วนะอายุ80 8ปีก็ตายแล้วอันนี้ไม่ยังไม่ถึง80ปีนี่เพิ่งได้70กว่าปีนี่เองคนอายุ80ปีเราโผตายแล้วแก่แล้วได้ครึ่งตัวแล้วนะอันนี้พวกเรามีคนมาพูดให้ฟังโดยความจริงใจแล้วหน้าที่ที่จะสานึกใจหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆเรื่องนี้แต่มันไม่รู้มันไม่ลึกจําเป็นเพราะมันไม่เข้า มันอัดแน่นอยู่เขาว่าเออน้ำสาลนแก้วไม่ยอมเปลี่ยนกิริยาท่าทางไม่ยอมเปลี่ยนกิริยามนุษย์ไม่ยอมเปลี่ยนอาเดชมเขาว่าเอ็นที่คือคขมเห็นดิ้งโยติทิศขมตัวเองเขว่บางทีเห็นผิดเป็นมิตรสาธิติบางทีเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นเพียงขมเห็นเท่านั้นเองดังนั้นที่หลวงพ่อนํามาอธิบายให้ฟังหรือมาซี้แจงแสดงเหตุผลให้ฟังนี้เป็นของง่ายๆ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 อุจจาะไปแล้วตายไปเหมือนกับสติลสารนั่นเองไม่มีประโยชน์เลยคนมาเกิดเป็นคนเนี่ยเหมือนกับไปค้าขายคนในค้าขายเป็นได้กําไรคนในค้าขายไม่เป็นขาดทุนยับเยินไปหมดเสียไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาเงินหาทองไร้เสียไปหมดเลยตัวเองหาไม่พอเอาของคอของเม่ไปใช้จ่ายไปหมดอีกแล้วแม้แต่ที่ดินก็เอาไปขายจึงหมดเลยเนี่คนค้าขายไม่เป็น คนที่ค้าขายเป็นคนจีนมาจากเมืองกีนหลวงพ่อเคยรู้กันสองคนแก้วตึงคนจังหวัดหนองคายมาตั้งอายุในเกณฑ์หกปีเอาไว้ฟัคนมามาในเมืองไทยนุ่งกลางเกงคลุมเมืองเมืองจีนนี่ทุกข์มากเขาไว้ ย, ยังไงหลวงพ่เข้ามาถืยเมืองไทยสบายใจเข้าไปมาก็เลยมาเป็นลูกจ้างาเดือนหนึ่งหกสัลึงเงินเดือนเดือนนู้หกสลึงเคยมีนะ เงินเดือนหนึ่งหกสลึงบาทห้าสิบาทต่างไปอยู่โรงโต้มขเขาเพียงได้กินข้าวกับพอมันว่าอย่างไรไม่เอาเงินก็ได้ให้ได้กินข้าวกับเขาเนี่ยข้าวกบกินกับเขาเขาให้เดือนหนึ่งบาทห้าสิบบาทําระยะสามปีทาได้เงินเดือนเดือนหกเียจากนั้นก็ไปรับเงินเดือนหกบาทยนำเท่าแก่เท่าแก่ก็เลยหางานให้ทําทํางานมากแล้วเดือนหนึ่งหกบาททํางานมากแล้วเป็น เป็นหลวงจู้เขาเออหลวงจู้วันนี้เก็บเงินเก็บทองเขาหลวงจู้ทางทางนี้ว่ายังไงเขาไม่ทราบที่คนเก็บเงินว่าอย่างไงเหมือนกันเนะเขาเออหลวงจู้ไปเก <paid> ็บเงินนําคนนั้นไปเก็บเงินคนเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นเรียนหนังสือไปด้วยเก็บเงินไปด้วยได้เงินเดือนหกบาททำอยู่ประมาณจักสามสี่ห้าปีเขาคิดให้เงินเดือนสิบสองบาทเัยต่อมาจนเป็นบริษัทเดี๋ยวนี้เนี่ยเปรมดำลง ไทยออมมอหลวงพ่อรู้ดีพวกนี้ไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเคยได้คิกค่าสมาคมด้วยกันมีแหล่งการค้าขายเป็ดได้กําไรพ่อแม่ก็มาอาศัยได้เพื่อนฟูงก็มานี่เรียกว่ามาเกิดเป็นคนอย่าให้เสียความเป็นคนเราต้องพยายามทาตัวของตัวให้เป็นคนขึ้นมาได้อย่าเป็นเป็ดอย่าเป็นผีอย่าเป็นสัตว์นรกอย่าเอาความเสื่วมมาเป็นความดีอย่าเห็นผิดเป็นถูก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 เกิดมาแล้วต้องตายท่านวันนี้แหละความจริงเราจะเอาอะไรไว้เราจะเอาชั่วหรือจะเอาดีไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนหนักสอนหนาเรื่องสอนของจริงถ้าเราเกิดมาเป็นคนอาต้องตายแน่เราจะสร้างคนดีหรือสร้างขุมชั่วอย่างพระเทวทัตสร้างขุมชั่วก็หม็นอยู่เท่าทุกวนันนี้อย่างพระพุทธเจ้าสร้างคนดีก็หอมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยภูบสามดอกที่เรามาจุดในที่นี้รู้จักเลยคาย ก็ทำดีคำพูดก็ทำดีคิดก็ทำดีหอมทูกสามดอกพูบสามดอกอันนี้ใสจนหมดเท่าไหร่ก็ได้หอมหอมเสีดังเราได้ยุงได้อั น, นแก่ความจริงเราทูบสามดอกนั้นหมายถึงตายทำดีคำพูดพูดดีใจคิดเต็ในทางที่ดีเมื่อความดีมีแล้วหอมได้มาจากอินเดียมาจากกิโลมาจากเมืองไทยเนี่เคยรู้ เคยคาดเลยไหมในกิโลสามพันกว่ากิโลสามพันกว่ากิโลยังหอมมาถึงเมืองไทยได้ไม่สฉพาะเที่ยงเมืองไทยนะบน่เนี้มันยังหอมไปเมืองลาวเมืองเขมรที่ไหนหลวงพออง่อก <c oughs> ็ไม่รู้แล้วบัณฑิตขอมเหม็นพระเทวทัตก็เกิดในประเทศอินเดียเหม็นไปเท่ากันนะครับสามพันกิโลเท่ากันอืูประมาณสามพันกิโลอันนี้แหละขอมจริงนี้จะขอมจริงไปไม่ได้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 ทำดีเอาไว้อย่าทำชั่วนี้แหละพระพุทธเจ้าจงให้รู้ปัจจุบันแก้ปัจจุบันอดีตอนาคตยนังไม่แก่เพราะเราตายไปแล้วจะมาเกิดจะได้มาเกิดหรือไม่ได้มาเกิดไม่รู้จะทำดีได้ทำชั่วไม่รู้ที่เราซานแล้วเนี่ยเรามาเกิดแล้วเป็นคนแล้วรือยังทำดีได้ทำชั่วเราไม่รู้ปัจจุบันนี้ต้องรู้ทุกคนเลยเมื่อเรารู้ปัจจุบันแล้วอดีตเราก็รู้ได้อนาคตเราก็รู้ได้แต่ขออย่างเดียวเท่าจะให้ได้มาเกิด เป็นหยังก็ไม่ออกถ้าเกิดแล้วก็ตายจริงๆมาเกิดเป็นคนตายอย่างคนมาเกิดเป็นสัตว์แต่ละสารตายอย่างสัตว์แต่ละสารมาเกิดเป็นเทวดาตายอย่างเทวดามาเกิดเป็นพรมตาอย่างกินอย่างพรมเกิดอันใดตายอันนันทั้งหมดต้นไม้พืชนักก็ตายเช่นเดียกนี่หลวงพ่อเข้าใจตอนนี้จิตวิทราบซึ่งไม่วันไหวไม่งอนแงน่ไม่คลอนแขนใครจะพูดยังไงก็าตามนี่เนี่ของจริงเรียกว่ารียสัจ ตัดจะแล้วของจริงเกิดเป็นคนจิตใจเป็นเปรตมัดข่มเป็นคนแล้วตัดจะแล้วของจริงแล้วคนเป็นคนไม่ได้แล้วนี่เกิดเป็นคนเป็นสติรสารนี่จริงเลยขันไปทางโน้นแล้วนี่สันตอนนี้จริงว่าเกิดเป็นคนคนเอาข่มเป็นคนมาให้มันได้ไปอยู่ที่ไหนก็จะให้อยู่มเป็นคนอยู่เรื่อยๆอย่าให้เป็นเปรตเป็นสติรสารเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกขึ้นมา เราพยายามให้ความเป็นคนสมบูรณ์อัดแน่นหรือมั่นคงแล้วก็พยายามให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาพยายามให้เป็นเทวดาขึ้นมาพยายามให้เป็นอินทรีย์ผลขึ้นมาที่สุดก็เป็นพระเรียงบุคคลได้คําว่าพระเรียบุคคลนี่หมายถึงบุคคลผู้ที่รู้จักทุกรู้จักสุขรู้จักที่สุดวามทุกรู้จักเตให้เกิดทุก รู้จักวิธีดับทุกทําอย่างนั้นมันดับอย่างนั้นทําอย่างนั้นมันแก้อย่างนั้นอันนั้นจีวะเป็นมิตรทานก็ได้เป็นอนริจบุคคลก็ได้จะว่ายัางไงได้ทางนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติจีวะให้รู้จักสมมุติจริงๆแต่คนเราไม่เข้าใจเลยเมื่อไม่เข้าใจเราเนี่ยก็จะสาธุไปเอาบุญบุญก็ไม่รู้บุญคืออะไร ไม่รู้เลยนึกว่ามันเป็นสนเต็นตัวบุญคือไม่ทุกนั่นเองถ้าเราทําบุญอยู่เราทุกเราก็ตกนกรกแล้วก็มีบาปเหมือนกันเอ๊ะใจเย็นทุกคนที่มานี้ฟังแล้วจดจําอย่าเชื่อถืออย่างนี้ท่านบอกไว้แล้วอย่าเชื่อถือที่เขาพูดตามกันมาคือการมาสู่อย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือ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 ถ้าเราไม่หาเดี๋ยวนี้เงินมันก็ไม่ได้มาเดี๋ยวนี้นี่เองนี่ขวม่มจริงที่นํามาเล่าสู่ฟังวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนที่เอ็ดเป็นวันเสาร์เป็นวันที่สิบแปดเดือนตุลาคมพรุ่งนี้ก็จะมีกระถิ่ะจะมาถวายที่วัดนี้ก็จะจะเทศให้ฟังเรื่อกระถินก็ต้องเทศอย่างนี้แลหละหลวงพว่อจะพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อไม่มีเรื่องอะไรจะพูดสวรรค์ตายแล้วยังเอาหนุหกเาพูดไม่เป็น นันกตายแล้วจึงจะไปตกน้องกหลวงพ่อพูดไม่เปลี่ยนแต่หลวงพ่อพูดตปลี่ยนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่อยากพูดเพราะมันเป็นของไม่จริงถ้าพูดของไม่จริงเขาว่าอย่างไรเขาว่าพูดไม่จริงก่อหลอกลวงโกหกพูดเท็จอะไรท่านพูดไปอย่างนั้นพวกคนต้องแก้นิสัยเดิมนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะแก้ได้ถ้าทาไม่แก้ก็กหลวงพ่อไม่ไดบังคับเลย เพียงหลวงพ่อนํามาลอาให้ฟังถ้าอยากแก้นิสัยเดิมของเราแก้เลย ท, ทันทีเราจะได้นิสัยเดิมจะค่อยไปเย็นไปจางไปจางไปจางไปแล้วนิสัยใหม่ๆขึ้นมามันจะค่อยพอกพูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนิสัยเดิมก็หมดไปเลยเอาสมมติให้ฟังถ้าเราเนี่มันเปื้อนเ ป, นเ ป, นเปนเะ้อเลอะเลือนไปวันนี้เราเอาผงเอาน้ํา มาขยี้สักแล็กม้อยเอาผ้าแซลงไปแซเราไม่นิ่มันก็ได้แ่ไปนานๆจากวันหนึ่งสองวันแล้วก็ไปจับโจกของที่ก็ได้มันจะจางเองมันแ่หลายทีทําทุกวันทุกวันผลที่สุดมันที่มันติดผ้าหรอที่มันสกปรกมันจะหมดไปเองผ้ามันจะค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นผลที่สุดก็เป็นผ้าที่ละเอียดเหมือนกับผ้าเอาออกมาจากโรงงานนั่นเองเด็กๆก็เหมือนกันเด็กๆยิ่งดี เหมือนกับผ้าเอามาจากโรงงานเป็นพับถ้าเอามาใส้นานแล้วเกิขี้ฟุ้นอันเลนเปื้อ น, นติดเข้านี่ถ้าหากเราสอนกันเต้ตัวเล็กๆแล้วหลวงพ่อคงจะดีมากถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสอนกันมาอย่าเพิ่งทําอย่างนั้นน้องอย่าเพิ่งทําอย่างนั้นพี่อย่าเพิ่งทําอย่างนั้นลูกในสามีภรรยาก็สอนที่นะหลวงพ่อเข้าใจว่าจะเป็นผ้าที่สดสวยหน้าดูหน้าสม่อเข้าใจอย่างนั้นเอาแหละที that, ่ หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนาสถานทีน่นี้อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเรา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 พยายามดูจิตดูใจเราเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเราแล้วนั่นแหละคือเห็นธรรมะคือเห็นพ ร, ระพุทธเจ้าคือเห็นพระธรรมคือเห็นพระสงฆ์ตัวพระสงฆ์คือตัวเรานี่แหละประพิพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้ฟังวิริยามรรยาท a อะไรไม่ดีปลดเปื้องออกไปในขณะนี้